ตอนเจ็บใจเป็นจังหวะดีที่คุณจะฝึกรู้ว่าอัตตาไม่มีจริงเมื่อใดเกิดความเจ็บใจเมื่อนั้นอัตตาไม่อาจลบซ่อนไปจากการรับรู้ของคุณเองอัตตาใหญ่เจ็บใจมากแม้เรื่องเล็กอัตตาเล็กเจ็บใจน้อยแม้เรื่องใหญ่อัตตาใหญ่เนื้อตัวหนัก ประสับกระส่ายมากอัตตาเล็กเนื้อตัวเบาสงบระ ง, งับได้ไวอัตตาใหญ่รู้สึกถึงกายใจยากเพ่งหาเรื่องข้างนอกง่ายอัตตาเล็กมีสติรู้กายใจง่ายเอาเรื่องเอาราวข้างนอกยากอัตตาใหญ่ฟุ้งซ่านกระเจิงนานยากจะระ ง, งับ อัตตาเล็กปุงซานิดหน่อยก่อนจะหายไปเองยังรวดเร็วทุกครั้งที่เห็นความเป็นอัตตาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คือทุกครั้งที่สติเจริญขึ้นทุกครั้งที่สติเจริญขึ้นเห็นความต่างขนาดของอัตตานาทีก่อนใหญ่นาทีนี้เล็กลงหรือลมหายใจนี้เล็กอยู่แต่ลมหายใจหน้าใหญ่ขึ้น คุณจะค่อยๆเข้าใจทีละน้อยว่าอัตตาอันเป็นตัวตนคงที่จริงๆไม่มีมีแต่อุปาทานว่านี่ฉันนี่ความรู้สึกของฉันถ้าอุปาทานเข้มข้นก็ให้ความรู้สึกว่าอัตตาใหญ่โตแต่ถ้าอุปาทานเบาบางก็ให้ความรู้สึกว่าอัตตาเล็กจ้อยไม่ใช่ว่ามีอัตตาขนาดแน่นอนอยู่ที่ไหนยิ่งเจ็บใจได้ทุกวัน ทุกวันยิ่งได้ฝึกดูอย่างนี้และเมื่อเห็นอย่างนี้สติจะยิ่งเจริญขึ้นทุกทีกระทั่งไม่มีก้อนอัตตาที่หนักพอจะทับใจให้อึดอัดอีกแล้ว